คำว่าวัดนะ่ยวัดในที่นี้ก็หมายถึงสถานที่นะไม่ใช่กิริยาคำว่าวัดเนี่ยภาษาบาลีนะมีคํานึงนะก็คือคําว่าอารามหลายวัดเนี่ยจะลงท้ายด้วยอารามวนารามวารารามนะอารามแปลว่าอะไรนะแปลว่าร่มรื่นนะร่มรื่นก็คือมีร่มเงาแล้วก็รื่นรมนะมีร่มเงาก็เพราะมีต้นไม้ รืนรมก็เพราะว่ามันสงบอารมรื่นเนี่ยมันมาคู่กับความสงบความสงัดนะ น, นั่นเป็นลักษณะดเด่นหนึ่งอย่างหนึ่งนะของวัดนะความร่มรื่นความสงบสงัดถือว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นของดีที่มีค่ามากความสงบเนี่ยฝรั่งเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาให้ความสำคัญความสงบมากนะความสงบความเงียบมันมีคํา เป็นสำนวนนะเาเรียกว่าความเงียบเนี่ยเป็นสิ่งประเสริฐหรือว่าความเงียบสงบเนี่ยมีค่าดั่งทองคำภาษาังกว่า silence is golden golden ก็คือทองนะมันเป็นของดีมีค่าวัดเนี่ยถ้าว่าเพียงแค่มีความสงบนะมีความเงียบเนี่ยก็มีความหมายต่อผู้คนละโดยพาะนปัจจุบันนะที่มันมีความวุ่นวายก็คือโคร ม, มาก ถ้าเกิดว่ามาวัดแล้วเนี่ยได้สัมผัสความสงบความสงัด、ความเงียบอันนี้ก็ช่วยได้มากนะโดยที่ยังไม่ต้องเจอพระเลยยังไม่ต้องไปกราบพระประธานเลยก็ได้มีฝรั่งคนหนึ่งเขาเล่าว่าเขามาเมืองไทยแล้วก็ม า, าไปวัดแห่งนึงนะกลางกรุงนี่แหละก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงไทยกำลังร้องไห้สะอึกสะอื้น เขาก็อยากจะไปช่วยนะแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ธรรมเนียมไทยว่าถ้ามีคนร้องไห้แล้วไปยุ่มย่าอะไรเนี่ยมันจะถูกต้องเหมาะสมไหมเขาก็เลยเขา้าไปกราบพระกราบพระประธานนะดูศิลปะในวัดสักพักหนึ่งก่อนออกมาก็เห็นผู้หญิงสงบละนะไม่ร้องห่มร้องไห้แล้วคงทำใจได้ละ ก็เลยเข้าไปคุยผู้หญิงก็พูดภาษาอังกฤษได้ดีพหลังก็ถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเ้าท้างมีความทุกโศกมากเธอก็บอกไม่เป็นไรแล้วตอนนี้ข้าอย่างช่วแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยมันมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเธอเธอทำใจไม่ได้ทุกข์มากก็เลยมาวัดมาวันเนี่ยเกียงแค่ได้มีที่ที่เป็นส่วนตัว สงบสงดัดพอเธอได้ร้องไห้เต็มที่ละขึ้นละคนเรานี่เพียงแค่ได้ร้องไห้นะก็ในถ้ำกลางที่ที่มันสงบสงดัดที่รู้สึกว่าจะทำอะไรได้ได้ปล่อยอารมณ์ได้เต็มที่เนี่ยก็ช่วยได้แล้วราะหลังก็ถามต่อไปว่าหเห็นรายที่เกิดกับเธอเนี่ยมันเป็นยังไงพอจะบอกเราได้ไหมผู้หญิงก็บอกว่าได้ เ, เมื่อกี้เนี่ย ทำกุญแจรถหายฝรั่งงงเลยนะอเอแค่เนียงเหรอทำกุญแจรถหายแต่ว่าสําหรับคนในเมืองตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะคนในเมืองนี่แค่ผิดนัดรถติดหงุดหงิดละถึงที่หมายช้าก็วิตกกังวลโทรศัพท์หายกุญแจรถหายก็โอ้ยเศร้าโศกเป็นเรื่องใหญ่โตมากฝรั่งก็ทีแรกก็นึกว่าเขา ตกหักหรือเปลา่าหรือว่าเขาสูญเสียคนรักหอที่ไหนได้แค่กุญแจรถหายแค่นั้นเองแต่ประเด็นก็คือว่านะคนเรามีความทุกขนะ์น่ยไม่ว่าจะทุกข์พอเห็นเล็กน้อยหรือว่าทุกเรื่องใหญ่ก็ตามเนี่ยมาวัดแล้วได้สัมผัสความสงบเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะแล้วนะนัาปราชญ์เคนที่ไม่มีความทุกข์เลยนะแต่ว่าต้องการมาบําเพ็ญภาวนาเมื่อได้มาบําเพ็ญภาวนามาดูจิต ด, ดูใจเนะี่ย ความสงบเนี่ยมันช่วยน้อมใจให้ให้กลับมาดูกายและใจหรือว่ากลับมาเห็นความเป็นไปของใจเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นเพราะว่ามันไม่มีสิ่งที่จะคอยดึงดูดจิตใจให้ส่งออกนอกตัวคนเราถ้าจิตใจมวัวแต่ส่งออกนะจะไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกนึกคิดหรืออารมณ์เป็นอย่างไรแล้วตอนนี้เพราะเป็นของละเอียด ไม่ใช่เห็นหง่ายๆด้วยตาแต่ต้องเห็นได้ด้วยใจที่ที่สงบพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบาเพ็ญภาวานาคุณย่าถึงแนะนำให้ให้ไปอยู่ในป่าให้ไปภาวานาใต้โคนไม้หรือว่าในถ้ำนะเพราะว่าความเงียบความสงบสงับจะช่วยน้อมใจให้ได้ เห็นจิตเห็นใจงตัวแล้วก็รู้ว่าอ๋อที่แท้ความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นที่ใจเราแท้ๆมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหนเลยที่จริงแค่ยังไม่ต้องเห็นอะไรมากนะแค่น้อมใจไม่ให้แสสายเนี่ยก็เกิดความสงบขึ้นแล้วความสงบใจนี่ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะบางทีเราก็เรสมาธิเป็นความสุขสุขมีหลายอย่างนะแต่ว่าสุข ใดก็ตามเนี่ยเทียบความสงบไม่ได้ผู้ชาติจัดว่าเนี่ยสุขอรือเนี่ยความสงบไม่มีใครที่เจอสุขมาเยอะนะปวดอ้างว่าได้เจอความสุขทุกชนิดมาแล้วทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นอาหารอร่อยที่สุดก็เคยชิมมาแล้วเพลงที่ไพเราะก็เคยฟังมาแล้วหนังที่ดีสุดในโลกกี่ร้อยเรื่องก็ดูมาหมดแล้ว สถานที่สวยงามก็เคยไปมาแล้วแต่ถ้ายังไม่เจอความสงบนี่ก็ถือว่ายัางไม่ได้เจอความสุขที่แท้จริงหรือว่ายัางไม่ได้เจอของจริงนะไอ้ที่เจอนั้นก็เป็นของชั่วคราวชั่วครูชั่วยามนะเพราะฉะนั้นจะไปอวดไม่ได้ว่าเนี่ยฉันผ่านมาหมดแล้วนะอย่างน้อยมีอย่างนึงที่ยังไม่ได้ผ่านไม่ได้เจอแล้วก็สาคัญมากคือความสงบสงบในที่นี้คือความสงบใจนะ แต่ว่าก็ต้องอาศัยความสงบสงัดของสิ่งแวดล้อมเชินวานาหรือว่าอารามนะอารามก็แปลว่าที่ร่มรื่นท่นวัเนี่ยนะเพียงแค่ทำให้เกิดความเงียบความสงบนี่ก็ช่วยคนได้เยอะแล้วแล้วก็ถ้าพระเนี่ยหรือว่าคนในวัดเนี่ยมีความสงบใจด้วยที่แสดงออกมาด้วยความสำรวม ก็ยิ่งช่วยคนได้เยอะนะบางคนมีความทุกข์ความโศกมาความโกรธ พ, พอมากราบพระเห็นพระสงบหรือเห็นแมชีก็ด้เห็นแมชีสงบความรุมรนนะมันก็คลายไปนะกลายเป็นความเย็นแค่เดินด้วยความสงบนี่ก็สามารถจะดึงดูดคนให้มาสนใจฝ่ายธรรมได้นะอย่างพระ อ, อัษชีเนี่ย หนึ่งในปัญจวัคคีย์ ท, ท่านเดินอยู่ในกรุงราชครึกก็เดินธรรมดานะแต่ว่าท่านเดินมีสตริรู้สึกตัวมีความสงบสำรวมมานบคนหนึ่งนะชื่ออุปติสสะเป็นคนฉลาดมากสมัยนี้ก็เลยเป็นปัญญาชนนะพอเห็นก็สะดุดใจก็เลยถามว่าอาจารย์ของท่านเป็นใครนะอาจารย์ท่านสอนว่าอะไรท่านก็ตอบสั้นๆว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าคืออาจารย์ของเรานะ ปรงสอนว่าทำใดเกิดแต่เหตุสถาคตกล่าถึงเหตุแห่งธรรมและการดับแห่งธรรมนั้นเท่านี้แหละนะอุปติสาก็ปัญญาสว่างโพลงเลยบรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระโสดาบันพลังก็บวชนะแล้วก็มีชื่อใหม่ว่าสารีบุตรนะพระสายรีบุตรเนี่ยมาบวชก็เพราะว่าเห็นความสงบ จากอาการสํารวมนะของพระสัจินะให้ความสงบความเงียบความสงัดนี้มีค่ามากนะที่คนสมัยนี้ต้องนะต้องพยายามสัมผัสนะเพราะเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นของหายากที่เหลือน้อยลงไปแม้กระทั่งวัดวาอารามหลายแห่งก็ไม่สงบสงัดแล้วนนะมีเสถถียก็ั๊กทึโครมที่จอดรถในเมืองนี่การที่จอดรถก็เป็นการบริการสังคมอย่างหนึ่งนะวัดเนี่ยเอาที่ว่าให้เป็นที่จอดรถแต่เสียดายเพราะว่าไอ้ที่จอดรถเนี่ยแต่เดิมก็คือร่มไม้ นะร่มไม้นี่มันให้ความร่มรื่นตัดต้นไม้หมดแล้วก็เท ป, ปูนกลายเป็นที่จอดรถนะก็ช่วยสังคมได้แบบหนึ่งแต่ว่ามันช่วยทางโลกนะไม่ได้ช่วยสงเคราะห์คนทางใจนะผูนะ้หญิงคนที่ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไปวัดมหาธาตุเนี่ยคงจะไม่สามารถจะคลายความทุกข์ได้เพราะวัดมหาธาตุนี่มีแต่ที่จอดรถนะแต่ถ้าเกิดไปวัดที่มีร่มไม้ร่มรื่นนะเธอก็ นะเพราะเห็นนั้นะเธอถึงได้คลายความทุกข์ได้แม้ว่าความทุกของเธอจะเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแค่ทำกุญแจลถหายนะแต่ถ้าใครที่ทุกข์มากกว่านั้นเนี่ยก็เชื่อว่าความสงบความสงัดความร่มรื่งของวัดถ้ามีนะมันก็จะช่วยผ่อนคลายจิตใจได้อ่าเราก็เตรียมรับพร